ชื่อเลยนะคะชื่อยกับหลวงตาค่ะตายพี่สาวเต้ค่ะเออตายนาย ะ, ะที่หลวงตาให้ให้ใจดูกายก็ดูวิดีโอที่หลวงตาแนะนำก็ดูแล้วเข้าใจสิดถึงใจว่าไม่เที่ยงแท้มีแต่เกิดแก่เจ็บตายดับเน่าเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอน็อปเข้าหาตัวเนี่ยยังรู้สึกว่ามันยังไม่เข้ายังไม่ลง ตัวเองยังไม่ลงว่าแต่ถามว่าเข้าใจไม่เข้าใจยอมรับทุกอย่างแต่พอน้อมเข้าหาตัวเองเนี่ยมันยังรู้สึกว่ามันยังเป็นตัวเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเวลาอย่างเช่นเวลาขับรถขับรถเนี่ยจะจะเหมือนจะพิจารณากายไม่ค่อยได้แต่ว่าจะเห็นเห็นจิตที่ขึ้นมาปุ๊บปบ๊อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นก็เห็นตอนแรกก็สับสนว่าหลวงตาบอกเราอ่ะต้องเน้นต้องอยู่กับที่พิจารณากาย แต่มันเห็นจิตขึ้นมาตอแรกก็สับสนว่าพอเห็นจิตขึ้นมาเอ๊ะเราจะไปดูจิตชะตาแล้สับสนไหมแต่ก็พอฟังเทพหลวงตาแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าให้รู้ว่ามีมีอะไรเกิดขึ้นที่จิตแล้วก็ให้กลับมาอยู่ที่ตัวอะไรอย่างนี้ยค่ะอันนี้ก็เข้าใจมากขึ้นแต่แต่ยังติดอยู่ตรงที่ว่าเห็นว่ายังรู้สึกว่าทําไมไม่ลงไม่ลงนะค่ะคือว่ามันยังพิจารณาน้อยไป พินาน้อยไปเราก็พินานมากมากขึ้นเอ่อมันพินาเน่าที่เดียวมันยังไม่ลงแก่ใจเราก็เอาถอดเอาผมเราเออกไปก่อนกลายเป็นคนหัวโลน้นึกจริงๆว่าถ้าเราเนี่ยเอาผมเราออกไปหมดเป็นยังไงมันก็จะกลายเป็นคนหัวโลนควักลูกกระต่ายเอาไปหมดแล้วไงก็กลายเป็นคนตาโบเอาจมูกจอปากเออกไปหมดเมื่อไงแล้ค ว, วักไปหมดเลย ดีก็แข้งขาก็ออกหมดพาวไปหมดเลยทุกอย่างอ่ะเอาไวยวะออกไปหมดสาวไปหมดหรือลอกเป็นจิ้นๆอย่างนี้ก็ได้ลอกผมไปก่อนแล้วก็ลอกหนังออกเหลือแต่ตัวแดงๆแล้วก็เนื้อเลือดแดงๆแลลเนื้อออกไปเหลือแต่โครงกระดูกแล้วเอาไวยวะภายในกับควักเอาไวยวะภายในโยนทิน้งหมดอะไรออกจากร่างกายไปก็เน่าหมดเนื้อหนังอะไรที่ที่ลอกออกไปแล้วจากตัวเราโยนทิ้งออกไปก็เน่าเน่าเน่าเน่าเน่าเน่าหมดเน่าหมดเพราะอะไรก็ตามธรรมชาติเราไปเห็นอยู่แล้วว่า อะไรทั้งออกจากตัวเรามันมัเน่าหมดมันอยู่ไม่ได้เรามันก oh, ็เหลือแต่ส like, ิ่งที่ในตัวที่ตัวอยู่ยังไม่เน่าแล้วก็พินาศไปลอกออกไปโยนทิ้งออกไปโยนทิ้งออกไปหมดเลยอวัยวะทั้งหมดควักโยนทิ้งออกไปโยนทิ้งออกไปไส่ก็สาวโยนทิ้งออกไปก็เน่าหมดมันก็เหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกมันยังไม่ไม่เน่าไม่เน่าแล้วก็ไปเผาก็ได้เอาเอารถบดถนนมาทับมันไปทับมันมาทับมันไปทับไม้แหลกละเอียดแล้วไปมันก็ไปลอยน้ําทิ้งหมดหรือเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยเราก็เหมือนคนอื่นๆที่สุดก็ไปเข้าเตาเเมนผ แล้วมันก็เหลือแต่ขี้เท่ากระดูกแล้วกี้เท่ากระดูกก็กลายเป็รอยน้ําทิ้งหมดที่ก็เรียกว่าร้อยอังคารแล้วมันก็หายไปหมดแล้วแต่ความว่างเปล่ามาจากความว่างเปล่าก็กลับมาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากน้ํากลับคืนสู่น้ํามาจากลมกลับคืนสู่ลมมาจากความว่างกลับคืนสู่ความว่างไม่มีอะไรเลยหาตัวตนไม่เจอแบบนั้นเนี่ยหาสักพักหนึ่งเอไหนตัวตนแล้วว่าเรามีตัวตนไหนตัวตนมันอยู่ไหนพอเสร็จแล้วหาตัวตนไม่เจอก็น้อมอีกน้อมกลับไปอย่างเก่าอย่างนั้นอีกนะ ซ้ำไปซ้ำมาไบ่อยไบ่อยซ้ำๆซ้ำๆซ้ๆซ้ๆมันจะเป็นวันเป็นเป็นวันเป็นเป็นร้อยวันพันวันหมื่นวันแสนวันก็ซ้ำอยู่อย่างเนี้ยซ้ำมันอยู่มันจบแล้วก็พิจารณาอีกจบแล้วก็พิจารณาอีกมันหลุดไปเร pues er> ื่องอื่นแล้วก็ดูตัทานเรากลับมาพิจารณาหลุดไปเรื่องอื่นดูตัวานเรากลับมาพิจารณาอย่างเนี้ยซ้ำไปซ้ำไปเนี่ยอถ้าพิจารณากายอย่างเนี้ยอย่าไปเห็นจิตอย่าไปดูจิตมันจะเสื่อม แล้วก็ปีนาอยู่เงี้ยซ้ำซ้ำๆที่สุดเนี่ยมันทนความจริงไม่ไหวหลับใจอ่ะเพราะว่ามันเป็นความจริงเราต้องตายแง่แตายแง่แง่ตายแง่แงเน่าเปื่ยแง่แงไม่อาจไม่ตายได้เพราะปู่ย่าตายยายผูอื่นก็ตายหมดแล้วที่สุดเราก็ต้องตายไม่เหลือร้อหรอกไม่เยอะใครมั่งละในโลกเนี้ยที่ไม่ตายสัตว์เจริญจารนั่งหลายก็ตายต้นไม้พืชพันธญยาหานี่สุวก็พอแก่ต้นก็ตายหมด ทุกอย่างก็ตายหมดเนี่ยเราก็พิจาณาไปอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นพอพี่นาวม า, าๆกๆเขาอะไเห็นใบไม้หน้าไป ด, ดูแรงใบไม้ร่วงหล่นจากต้นพากันร่วงพลิ้วพลิวพวพ ว, พ ว, พวมาเหมือนกัน น, น, น, น, น้าเนี้ยที่เป็นน่าฤดูหนาวเนี่ยใบไม้ก็ร่วงหล่นจากต้นแค่นั้นเองบางทีใจมันก็วาบก็ไปทะลุไปถึงใจทุกเลยว่าเอาคนที่ตายจากไปแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายแล้วที่เราเป็นการศพอ่ะ มันก็เหมือนใบไม้ที่ล่วงล่วงหล่นไปอยู่ที่กองที่พื้นที่ยังไม่ได้กวาดคนในโลกนี้ก็พากันล้มหายตายจากไปเหมือนใบไม้ที่กำลังร่วงเนี่ยเราเองเป็นใบแก่แล้วบต้นลูกหลานเป็นใบที่แตกใหม่ไม่ช้าใบแก่ก็ล่วงไปคือตัวเราลูกหลานเป็นใบอ่อนไม่ช้ากากาเป็นใบแก่แล้วก็ล่วงหล่นไป ใบจ้าก็เป็นใบใหม่แตกขึ้นมาแล้วก็ร่วงหล่นไปทั้งหมดล้วนแต่ทยอยตายตามตาม ไ, ปไปตามไปไปหลุดร่วงลอยไปหลุดร่วงไปจากโลกนี้หายกันไปหมดเราก็พิจารณาเขา้าบาทีแค่นี้ก็โดนเราเห็นใบไม้ร่วงพิวพิวแค่นี้ก็โดนใจแทงเชือกก็ไปถึงใจใจก็พองไปวางเลยนะโลกาธาตุภายในโลกธาตุภาย น, น, นอกมก็ระเบิดก็ไปหากันอันนั้นเนี่ย มันจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งมันระเบิดโลกระท่าเลยข้างในตกตะลึงไปเลยกับภายในภายนอกพอที่ใจมันโปร่งปวางมันจะพิจารณาไม่พอเรารีบร้อนมากเกินไปอยากให้มันเป็นเร็วๆซ้ำเข้าซ้ํ า, าเข้ายืนเดินนั่งนอนมันก็มีเห็นแต่อยไอ้นี้เห็นแต่อย่างนี้เห็นแต่อย่างนี้เห็นแต่อย่างเนี้ยทํางานอะไรขับรถกับลาไปไหนมาไหนให้มีสติและปัญญาระบูล อยากให้ทำงานผิดพลาดอยากให้ขับรถผิดพลาดแต่ภายในก็แอบพิจารณาซ้าๆอยู่อย่างนี้เนะี่ยจนใจมันก็ค่อยๆน้องกหาความจริงความจริงความจริ ง, ร ง, ร ง, รงก็ปล่อยวางบึ้มมาเลยบางๆ บ, บ่อยๆ้านะย <c oughs> รื่งน้อมนะคะถ้าหากว่าอ๋อบอกชื่อก่อนเนี่ อ, อหมอพอรทิตาค่ะหมอพรทิตาอยู่พระมงกุฎเก้าแต่ตอนนี้กเกษียณแล้วก็กลับเรียนท่านอาจารย์ว่าเอครั้งสุดท้ายที่ได้ ลงตาแล้วก็คือทําอยู่สองอย่างนะครับระหว่างวันเนี่ยก็ให้รู้ให้รู้อยู่ข้างในตรงเนี้ค่ะเป็นระยะรู้เยอะอปวดย่อยแล้วก็รู้ข้างในเวลากิเลสมามันก็จะเหมือนพอจะเท่าทันแล้วเราก็จะไม่หลงหลุดเข้าไปในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง ะะแล้วก็เรื่องของการน้อมเนี่ยชอบที่จะน้อมหาเวลาพอนั่งสมาธิก็จะเห็นโครงกระดูเห็นอะไรต่ออะไรมันก็ทำให้รู้สึกใจสงบนะคะแล้วก็นิ่งแล้วก็แต่บางครั้งนะคะเราอยู่ในสมาธะแล้วนั่งสมาธิเพื่อความสงบเนี่ยอยู่ๆก็เห็นเป็นภาพขึ้นมาเป็นกระโหลกมันทะลุ ไอ้สมองมันกระจุยอๆออกไปนะคะหรือว่าเห็นหน้าเราเป็นนอนก็ยุกกๆกก็ยุกซึ่งก็ก็เพาะแผ่มาแปบ๊บเดียวหรือบางครั้งถ้าเราอยู่คนเดียวนิ่งๆเงๆียบๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปน้อมนะคะอยู่ๆก็เห็นเป็นเหมือนเราเนี่ยเป็นต้นไม้แห้งๆที่มันตายซากอยู่อะไรทํานอง น, นี้ยคะ่ะเป็นแปบบ๊แบแป๊บขึ้นมาซึ่งครั้งแรกที่เห็นเป็นต้นไม้ตายซากมันจะเอ๊ะ มันสงสัยอะค่ะแต่พอระยะหลังเนี่ยเหมือนจิตเขาน้อไมไว้หรือไงก็ไม่ทราบก็จะเหมือนกับข้างในก็จะบอกว่านี่แหละนี่แหละคือคือสิ่งที่มันจะต้องเป็นแน่ๆทุกคนต้องตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็จะเรียนกาเรียนถามดวงตาว่าการที่เรารู้จิตดูจิตเพื่อที่จะ มือนก็ให้เป็นกุศลแล้วก็ต้องระวังอกุศลไม่ให้เข้ามาเนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องของกายเนี่ยทีนี้เมื่อไหรหลวงตาบอกว่าถ้าถ้าจะดูกายดูความอัศวะก็ให้ให้ไปทางเดียวตลอดอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ามมีสองสิ่งอย่างเงี้ยจะทําให้ช้าไหมคะกับตาของหมอก็ดีกันป้องกันคนสับสนที่ว่าดูไอของหมอที่บอกว่าคอยดูตั้งแต่จิต ท, ที่คิดเป็นอกุศลอะไรต่างๆเนี่ย ที่มาคิดปรุงแต่งออกไปเนี่ยแม้แต่ดูการวิจารณากายก็ต้องรู้ท้องทันตรงนี้อันนี้ยังไม่เรียกว่าดูจิตดูกายอยู่เราพิจารณากายอยู่แล้วจิตมันส่งออกนอกไปแล้วมันไปคิดในเรื่องอกุศลเล่จัมจ่าเนี่ยเราก็รู้ต้องทันแล้วก็กลับมันพิจารณากายโดยพิจารณากายเป็นหลักอย่างนี้เรียกว่าพิจารณากายไม่ใช่เรียกว่าจิตเห็นจิตจิตไม่ใช่เวเรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเอ้ยนี้ เมื่อลราหมอเนี่ยน้อมพินาการแบบเนี้ยถูกต้องแนละ้วดีมากเมื่อมันเห็นยังไงชัดเราก็น้อมตรงนั้นน่ะไอต่อเนื่องไปเลยคือหมอบอกว่าบางทีก็เห็นเน่าไปเลยเห็นหัวกะโหลกทะลุนอนขึ้นบางทีก็เห็นตัวเองเน่าไปเลยบางทีก็เห็นตัวเองเป็นเป็นต้นไม้ตายซากในในการที่หมอเห็นแต่ละครั้งเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วก็ที่ถูกเนี่ย ยิ่งไปก็คือว่าเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยละภาพนั้นมันตอนลันที่เรานั่งสมาธิมันเห็นเนี่ยชัดแต่เราเนี่ยก็น้อมต่อเลยเมื่อมันหายไปแล้วน้อมต่ออย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดพักเลยตอนนี้เพราะมันมันเห็นแล้วเนี่ยมันเห็นแล้วแล้วมันมีค่าที่สุดของชีวิตแหละและไม่ใช่ชีวิตมีค่าที่สุดชีวิตเดียวในภพชาตินี้แต่มันเนี่ยมีค่าที่สุดที่เป็นอนันต์จักรวาลที่เราเวียนเวียนเวีนว่าตายเกิดเนี่ย มันที่ค่าที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่เกินกว่านี้แล้วเราจะไปเรื่องอื่นจะทิ้งไปเรื่องอื่นเด็ดขาดเลยพอเราเห็นแล้วรู้เห็นชัดแล้วว่าเน่าป่วยผูกพังมันเป็นยังไงเห็นเห็นประตัดประจับด้วยตาในาแล้วเนี่ยเราก็น้อมซ้ําๆ้ำซ้ ำ, ซ ำ, ซำแต่อยู่ในสมาธิมันภาพมันหายไปแล้วเนี่ยที่ตัวเราเน่าหายไปแล้วเราก็น้อมมอากลับมาน้อมมอากลับมาน้อมมากลับมาน้อมมากลับมาแ ม, ม, ม้แต่เราออกจากสมาธิแล้วใช้ชีวิตประจําวันเนี่ย เราก็น well, ้อมเนี่ยน้อมมากลับมาเพราะมันเห็นชัดแล้วนี่เราก็น้อมน้อมน้อมน้อมน้อมช่วยมันน้อมเพราะภาพมันหายไปแล้วนี่หรภาพนิเวศมันหายไปแล้วเราก็น้อมช่วยน้อมว่าเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยซ้ำมันซ้ำมันซ้ำมันซ้ำมันอยู่อย่างนี้แน่เดี๋ยวซ้าไปบ่อยไปบ่อยเข้าบางทีมันจะเบื่อไปเบื่อจืดไปเลยเหมือนเรากินอาหารมากเกินไปมันจืดไปเลย พีจนรณแห้งไม่ใช่เฉยงั้นแน่ไม่ไปยังไงเลยอ้าวตอนแรกนี่พินาแล้วรู้สึกใจมันโป่งโป่งโปรงโป่งป่งป่งพอมันเหมือนกับกินอาหารจนเผลือไปเลยไอ้นี่กินจะเลี่ยนไปเลยองเงี้ยอยู่ๆมันมันจืดไปเลยอ่ะมันไม่ยอมโป่งโปงอะไรนะแต่เดี๋ยวก็มันก็จะมีแง่ใหม่มาทําก็จะปรากฏแง่ใหม่มามีภาพแง่ใหม่มาเราพิจารณาเราก็เอาแง่ใหม่เพราอมันมีโอกาสมาโอกาสทองคือมีมีปรากฏเป็นร่างกาย น้าเปื่ยในส่วนใดขึ้นมาเช่นจะพกหัวกะโหลกเราก็เอาตรงนั้นกลับมาน้อมมาอีกน้อมนอมไอยังเก่าวทิ้งไปมันเกิดอย่างใหม่ขึ้นมาให้เราเห็นเราก็เอาอย่างใหม่เอายังใหม่น้อมน้อมน้อมน้อมน้อมไปให้ต่อเรื่องไม่ขาดสายตั้งวันตั้งคืนตั้งวันตั้งคืนกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากเดินจรกลมให้มากทำความเพียรพี่ไหนมากเดินจริญกลมให้มากกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทําน้อยเอ้ทำความเพียรให้มากสัมโรมินทร์สีให้มากอย่าให้ใจไปหมกมุ่นกับเรื่องโลกโลกเรื่องหลาน น้อมเป็นมากมน้อมเป็นมากมากน้อมมากมอย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ๆซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้บางิีันเบื่ออีกเบื่ออีกบางทีมันได้เกิดเราจะร้อยภาพเกิดเราก็น้อมเราเองได้ปูู่้ปานในแง่ต่างๆวันที่มันยังไม่เกิดนิมิตเราน้อมเราเองแต่วันทีเมื่อเกิดนิมิตมาช่วยเราก็โอกาสทองเอาตรงนั้นนิมิตนั่นไปเลยเราไม่ต้องมาน้อมเองแต่ถ <ros> ้านิมิตไมปเกิดเราก็น้อมนิมิตเราได้ เราก็น้อมเองให้ภาพนั้นมาประจักษ์แก่ใจเราก็เรียกว่านิมิตแต่นิมิต เ, เป็นสิ่งที่เราน้อมมาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเองกับอันเนี้ก็คือว่าเป็นบุญรสนาเก่าเราก็น้อมน้อมไปน้อมไปน้อมไปใจเหมือนกับค่อยๆหลุดออกไปหลุดออกไปจากความยึด ม, มั่นถือมั่นอวัยวะต่างๆก็ให้มันหลุดออกจากร่างกายไปเหมือนกับหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเอเป็นภาพนิมิตหลวงปู่แหวนมาสอนดวงตาหลวงปู่แหวนสุจินโนทัน้งหวามาดูลวงตาว่าเจ้ายึดอะไรเนี่ย เจ้าย e? <Yeah. S 1> ึดอะไรเนี like ่ยผู้ปฏิบัติทำทำไมยึดให้เป็นทุกข์แบบเนี้ยจีหน้าตวาดดุเลยเดินถือบูแหวนถือไม่เท้าเดินเข้ามาจีหน้าตวาดดุแล้วก็เจ้าดูที่ว่าเจ้ายึดอะไรแล้วก็ร่างกายบูแหวนเนี่ยตั้งแต่ผมหนังเนื้ออะไเน่าเน่าเน่าเนาเนาค่อยๆเป็นน้ำเหลืองน้ําเหลืองนอนขึ้นเต็มแล้วก็ไหลเปะเปละลงไปกองกับพื้นดิน และเนื้อภายในเอาไว้ไว้ภายในก็ค่อยเน่าเน่าเน่าไหลเป็นเป็นน้ําเหลวๆเป็นเปรอะเปเป็นหนอนขึ้นเนืะเละแไหลออกจากตัวไปเปะเปเปไหลไปกองกับพื้นดินเหลือแต่โครงกระดูกผู้แวนตั้งอยู่แล้วก er ็โครงกระดูกก the um ็แตกลายงานกลายเป็นของเก่าแตกรายงานที people, ่เป็นข so so ึ้นเป็นรายงานเลยก็เก่ามากขึ้นเก่ามากขึ้นก็เก่ามากขึ้นก็ผุโปะออกไปกลายเป็นกี้ปุ่นละอองทุรีหายลงไปกองรวมกับไอ้ทิศเอง เลือดเนื้ออะไรที่มันเน่าเน่นกองพื้นดินน่ะแล้วก็แผ่นดินก็แยกบู บ, บู บ, บู บ, บูบูบูบูลหลายกูบูบูบูบูบนบูนูบนบูบาบูียบูั้บเดิมูบูบูบูบูบูว่าเบูามาจากดินเบูาก็กลับคบนสูบูบูบูบาบูาูบูบับูืนสูู่ า, า, าูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูบูสู่าาสู่าบู า, า, า, าูู่บูบมบูบูเูล่าูบูบูบนบูบูบตบูมีตัวเราก็ไม่มีตัวเราอบ่างนี้ ก่อนเกิดมาก็ไ hmm. ม่ม mm ีตัวเราอย่างนี้เมื่อเกิดมาแรกมีตัวเราอย่างนี้ก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีตัวเราอย่างเดิมธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเจ้ายึดถืออะไรได้บ้างแล้วเนี่ยมันก็สโลโมชั่นถอยหลังกลับมันหนังสโลโมชั่นถอยหลังกลับคืนมาเป็นรูปน้องแหวนอีกวิญญาณเรืองเนื้อมักลับคืนมาเป็นตัวท่านแล้วก็มันก็เน่าให้ดีบอกว่าเจ้าดูให้ดีจริงเจ้ายึดถืออะไรได้แล้วก็เน่ากลับไปเหมือนเดิมอย่างนั้นไะ ก็พิจารณาอย่างนี้ยจนกระทั่งไม่ไม่เหลืออะไรเลยว่าตัวเราตัวตนของเราไม่มีซ้ําอย่างนี้เนี่ยจนใจมันเนี่ยค่อยค่อยล่มเย็นลงไปล่มเย็นลงไปมันมันแข็งแข็งมันสงบลึกละเอียดเข้าไปถึงใจก้นบึ้งหัวใจอ่ะจนใจมันปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางแล้วมันสงบล่มเย็นมันไม่มันไม่พรุงแต่งอะไรเลยมันเหลืออยู่หนึ่งเดียวคือความตายความความตายความว่าไม่มีตัวตนไม่เหลือตัวตนัอใจมันไปเห็นอะไรเข้าบางทีมันไปเห็นอะไรเข้าอย่างที่ จะมอเห็นอ่ยิมิตเห็นต้นไมายืนต้นตายบางทีเราก็ไปเห็นต้นไม้ยืนต้นตายแค่นั้นเองใจมันว่าอย่าว่าแต่คนเลยพืชแม้แต่พืชก็ยังต้องเกิดมาแล้วก็ต้องตายแค่นั้นเองใจมันวืบแล้วมันก็โลกธาตุมันสั่งกัดไปเลยทั้งโลกธาตุมันวางบึ้มลงไปเลยมันเหมือนกับ ร, ระเบิดออกจากข้างในออกมาจากข้างนอกโลกธาตุมันระเบิดก็หากันแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย ตัวเองก็ไม่รู้มันคืออะไรหรอกมันเป็นปัจจิตตังไม่รู้จะพูดไปยังไงเอาก็จะรู้ได้ในตัวของเราเองแหละแต่ถ้ามันยังไม่ถึงจุดนั้นต้องพิจารณาเข้าพิจารณาเข้าแต่สําคัญที่สุดเนี่ยที่ลุงตายเห็นเนี่ยคือยมหมอเนี่ยเวลายัางยุ่งกับลูกกับหลานโดยเฉพาะหลานตัวเล็กๆ เ, เขาไม่ขาดการพิจารณาการพิจารณานี่ไม่ต่อเนื่องตรงนี้ทําให้เสียโอกาสทองเลย บอกว่าอายุมากแล้วเวลาจะไม่ทันการใจยังวุ่นวายเวลาเจอหลานเล็กๆหลุดหมดเลยหลุดหมดทั้งยวงเลยไม่ได้เล่นกับหลานตามปกติแต่ใจแอ บ, บน้อพินายอยู่อยู่กับสามีอยู่กับลูกอยู่กับหลานก็ต้องใจแอ บ, บน้อพี่นายอยู่เล่นกับเขาเลยเขาล้วก็ใจก็แอ บ, บน้อพินายอยู่แต่เห็นโยมเนี่ยหลุดจริงๆหลุดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ เ, ลเวลาเจอหลานเล็กๆแพ้ทางระวังนะ ตรงนี้มันจะไม่ทันมันจะไม่ทันระเบิดโลกกับทาทีนี้เราควรจะปรีดปรีดตัวไปไหมเจ้าคะต้องดูว่าหมอจะเหมาะสมไหมสภาพไห ม, ไมเพราะมีครอบครัวมีลูกมีหลานทําในท่ามกลางกันได้ถ้าหมอทําเป็นนะทําเป็นก็ทําในท่ามกลางเนี่ยในทําในในในท่ามกลางรักษาคนไข้ในท่ามการอยู่ครอบครัวเนี่ยเราก็แอบใจเราก็แอบนอนพิจารไปได้แต่เราทําเป็นแล้วอยู่ไหนก็ทําได้อยู่ในที่ทํางานก็ทําได้ ได้หมดเนี่ยใจมันแอบน้อมเข้าแต่เราทํางานภายนอกไม่ให้ผิดพลาดมีสติธ ร, รมะจัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์ในการทํางานไม่ผิดพลาดแต่ใจข้างในแอบน้อมตลอดเวลาเนี่ยต่อเนื่องไม่ขาดสายมันจะเป็นต้องปีกตัวออกไปไหนล่ะแต่ถ้าเรามีโอกาสก็ปีกดีมันก็ดีคือตอนนี้กําลังอยู่ในจังหวะที่กําลังคิดอาหาว่าจะตัดภาระอะไรออกไปให้หมดอจะพอไหมล่ะอย่างนั้นเน่ยเป็งั้นเราก็าใช้เวลากลางคืนเอา คนอื่นเขหลับหมดแล้วเราจะหลับเราก็ทําความเพียรเอานอนให้น้อยสมัยก่อนลุงตาทําความเพียรอย่างนี้ยกาพินณกายอย่างเนี้ยเดินข้ามวันข้ามคืนไม่หลับไม่นอนหรอกแล้วก็พอพอมันสว่างแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็ไปทํางานแล้วก็ไปทํางานแล้วก็ก อ, อกินข้าวกลางวันก็กินข้าวติดโตทํางานนั่นแหละแล้วก็นั่งหลับต่อ ก, กับอีกพอตื่นมาก็ทํางานเลยแล้วก็กลับมาก็ตอนเย็นก็ข้าวไม่ได้ได้ทานหรอก ตอนเย็นออกเดินจบกรมเลยแต่ปีน่ะอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนมาสว่างเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ําไปทํางานกลางวันก็นอนพิงเอาพิงเก้าอี้กินเก้าอี้โยกเนี่ยหลับเอาแล้วก็พอตื่นมาก็ทํางานเลยแล้วก็กลับมาก็ข้าวก็ไม่ค่อยได้จันแล้วไม่ค่อยได้กินหรอกบาทีก็กินใบโบกเอาใบโบกไปจิ้มจิ้มน้ำไว้แล้วก็ใบเป็นงามดีแล้วก็ไปเด็ดเอาใบโบกมาล้างล้างสะอาดก็ใส่ปากเกี้ยว เอาน้ําดื่มออกโดยแล้วคือกายมันเบามะเพราะว่าถ้าถ้ากินมากเนี่ยกายมันหนักมันพิจาณาไม่ต่อเนื่องเพราะมันอืดดวงตาสังเกตมากในการท่ามันเห็นชัดอย่างนี้นะการกินเนี่ยต้องระวังมากเลยอ่ะกินอาหารลสจัดกินอาหารที่มันมันเลอะออกมาแล้วมีกลิ่นขึ้นจมูกพวกกินปลาลากินพวกน้าพริกเผ็ดจัดกินลดจัดเวลามันเลอะออกมามันรบกวนการพิจารณาแล้วก็เวลาเรากินพวกเนื้อเนื้อมาก ที่มันเนื้ออะไรก็ตามที่มันย่อยยากเรากินอะไรก็ตามที่มันมันย่อยออกมาแล้วเวลาถ่ายจะละมันเหม็นมากมันรบกวนการพิจารณามันคล้แก๊สมันเยอะแก๊สในท้องมันเยอะมันย่อยยากแต่กินผักแล้วกายมันเบ้าแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้กินเจนะแต่หมายถึงว่าเราเราก็สังเกตดูเอากินไข่กินปลามันก็ไม่ค่อยไม่ถ่ายออกมาก็ไม่เหม็นมากแล้วก็มันก็ย่อยง่ายโดยเฉพาะพอเล่นข้าเโพดมากคว้าผักสดๆเนี่ย ไปโบกเนี่ยเออมันไม่มันมันไม่หวงเรื่องสารพิษเพราะเราจิ้มเองตามน้ําแจ๊ะแจะให้ก็าซื้อมาแล้วขอลาบเขามาด้วยพอเอาใบไปทำอาหารนู้นมันเหลือลากมันเราก็ไปจิ้มจิมจิ้มก็ขึ้นเต็มเลยไปบบกแล้วมันก็มีประโยชน์ด้วยเราก็มาใส่ปากเคี้ยวปุ๊บมันน้ำซึมๆๆก็เดินได้แล้วก็ทําความเพียรอยู่อย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็สังเกตดูว่าคือเมื่อเราเนี่ยเราไม่ตาเราสารวมอินทรีย์คือตาเราไม่สอดสายไปทั่วไม่ไปดูหนังดูละครฟังเพลงฟังอะไรแล้วแล้วก็ ไม่ไปพูดคุยอะไรที่เป็นเรื่องไร้สาระสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ปล่อยคิดวุงส้างไปพุ่งแต้มในกิเลสแล้วสํารวมอินทรีย์แล้วก็กิกนน้อยนอนน้อ ย, อ ย, อยพูดน้อยไม่หมกมุ่นจิตใจไม่หมกมุ่นการ ง, งานทั้งโลกออกเดินแนละ้วเดินทำความเพียนอย่างเงี้ยต่อเนื่องไม่ขาดสายใช้เวลาสองเดือนอกว่าๆสองเดือนครึ่งสามเดือนใช้เวลาสามเดือนไม่เกินสองเดือนไม่เกินสามเดือนต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่ย จะโอ๊ยทํามันเดินนานอยู่แ น, น่แน่เดินนานทําแล้วทําอีกทาทิ้งทากว้างสิบปียี่สิบปีจนแก่เท่าชะลาก็ไม่ไปยังไรอายุอย่างนี้ไม่ใช่ลุงตาคือทุ่มอะไรก็ทีเดียวแล้วทุ่มทีเดียวทุ่มทีเดียวทุ่มทีเดีย ว, ย, ว, ย, วยอมตายแรกเลยไม่ใช่ว่าเหมือนว่าตอนเาสอบผู้อาวุกันเนี่ยดูหนังสือสอบกันห้าเที่ยวหกเที่ยวเจ็ดเที่ยวสิบเที่ยวสอบไม่ได้ บอกว่าลุงตาตายก่อนถ้าแบบเนี้ยโอ้โหบอว่าชีวิตที่ทุกขี่สุดคือดูหนังสือหามลูกหามํากั บ, บมืนยังหวมันจะทะลุเลยไม่หลับไม่นอนเงี้ยเพราะยศทนต้องดูหลายๆเที่ยวอย่างเงี้ยทนไม่ได้ชีวิตต้องตายแน่เลยต้องทําทีเดียวจบทีเดียวจบทําอะไรต้องทีเดียวจบแล้วก็ตายเป็นตายครั้งเดียวชีวิตให้ลาบากครั้งเดียวเกินพอซ้ําไม่ได้้องตามไม่ชอบต้องก็สอบได้ทีเดียวก็สอบวิชาได้เลย เราปฏิบัติก็เหมือนกันเน่ยเราถามก็หนูหนูตอบกี่เที่ยวกี่เที่ยวโอ้ยดูซ้ําแล้วซ้ํำอีกตอบหนูตอบหลายเที่ยวดูหนังสือทิ้งทิ้งกว้างๆอย่างเงี้ยโอ้ตาทําไม่ได้มันเหนื่อยมากเลยเพียมากแล้วก็ทอมากเลยถ้าเป็นแบบนี้อ่านหนังสือซ้ํๆอย่างเงี้ยมันมันทุกมากเลยมันไม่ไม่อ่านทีเดียวมันจบแล้วตอบได้แล้วก็เอิมก็สบายไปเลยแล้วมาปฏิบัติเนี่ยโอ้ปฏิบัตินานกันห้าปีสิบปียี่สบปีจนแก่เฒ่าชราไม่ไปยังไงอันนี้ทนไม่ได้เลยทํามันทีเดียวไปเลย พิจารณามันต้องวันต้องคืนไม่ต้องหลับนอนเน่ยมันจะตายจะตายทีเดียวเนี EL, ่ยเขาเปนลูกเป็นเลยอ่ะเหมือนคนอะไรนะเขาพูดให้มันรู้หมูรู้จ่าไปเลยทีเดียวว่าหมูรู้จ่ามันรู้ไปทีเดียวเลยไอมันจบไปเลยไม่ต้องมาค า, า, าราคาสามทํากันจิงจิงเคื่องกว้ า, วางเยาะเยะใหญ่ใหญ่ทไม่ได้เลยทำมันทำมันต้องวันต้องคืนต้องวันต้องคืนเดินอยู่นั่นแหละจนก็บอกว่าโอ้ยพวเดินไม่เดินที่ไหนแล้วก็เดินในหมู่บ้านผู้อาสาเนี่ยแล้วก็เดินข้างบ้านเนี่ยเพื่อให้เมียกับลูกเขาไม่รู้สึกว้าวเว บอกว่าเออบอกว่าไม่เดี๋ยวพ่อไปกินข้าวเลยนะเพราะว่ากินแล้วมันไม่มันทําให้ธาตขันมันหนักแล้วก็มันมันทําให้ตัวมันหนักกายมันหนักมันพิจนาไม่ไม่ไม่ไม่ปลอดโปร่งมันก็คุยด้วยจิ้มจิ้มอะไรนิดหน่อยในปากก็ผลไม้อะไรก็จิ้มจิ้มในปากหน่ก็คุยด้วยเขาปลอบประโลมใจให้ครอบครัวสบายใจเสร็จแล้วก็เออเดินเลยเดินใกล้เดินเขาเห็นเนี่ยไปเดินไกลในวัดวารามในป่าเนี่ยมันก็ทิ้งก็ไปทอดทิ้งก็ไปเรา เราไปทํางานก็ยังไม่ตื่นเลยแล้วกลับมาก็เราเราก็ไปออกไปตามวัดป่าแล้วอะไรเงี้ยมันก็เขาก็เหงาเขกลัวมีมาแล้วก็ต้องดูแลกันอย่างนั้นถ้าก็เดินข้างบ้านนี่แน่เดินในหมู่บ้านผู้อาสนิเนี่ยใหม่ๆก็อายเขาเหมืนกันอายเขาเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านผู้อาสน์มันเดินในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเดินจงกรมมันต้องคืนเขาอายเาเพราะว่าใหม่ๆเดินมาคิดอีกจริงมันทําความชั่วมันน่าอายทําความดีมันน่าอายตรงไหนวะไม่เอินเขาเดินทางหนักๆเขาก็เลยแซวกันเขาบอกว่า เราจ้างเอายามออกดีกว่าไว้ปวดยามออกเอานาลงสระเป็นยามดีกว่าเดินทั้งคืนไม่หลับไม่นอนไม่ต้องจ้างยามแล้วเราอะไม่เหมือก็แซวแซวไปานานเข้าอะเรากลายเป็นอุปกรณ์หนึ่งในในหมู่บ้านนั่นคือถ้าเราเมื่อไหร่เราไม่เดินรู้สึกมันแตกใจเออมันกลายเป็นแปลกประหลาดใหม่ตอนแรกอะแปลกประหลาดคือเราไปเดินยังไงลำกลางหมู่บ้านกใครก็ดูหนังดูละครกันเราไม่สนใจกันเดินมันในหมู่บ้านนั่นเนี่ยผมมันจะเดินไปใครก็ไปเดินที่อื่นก็ครอบครัวก็จะ ว้าตเวเราก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเราเด็กอ่ะลูกเมียอ่ะก็เห็นเราทําความเพียนอย่างเงี้ยมันโตขึ้นมันติดมีสายไปิจิตไปโดยไม่รู้ตัวเคยเราทําความเปลี่ยนเราก็ทําความเปลี่ยนให้เขาดูองเงี้ยเราทําเป็นตัวอย่างนะคนคนไหนจะดูก็ดูไปเขาก็ทําตัวอย่างแล้วเขาก็ทําเราก็ทําให้เขาเห็นแต่เด็กอย่างเงี้ยตรงตาก็ทําอยู่ข้างบ้านเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอกที่ว่าพูดเนี่ยสองเดือนครึ่งทํามันอยู่ข้างบ้านนี่แน่ไม่ได้ไปเดินในป่าในเขาเนี่ยไ่ไ้หรอกนอกจากไปหาพู่แม่คูบาอาจารย์ขึ้นไปในป่า ทีหนึ่งแต่เสร็จแล้วก็กลับมาทําเองก็ทําข้างบ้านนี่แหละแล้วก็เดินอยู่ข้างบ้านเนี่ยเดินทั้งวันทั้งคืนเดินตอนที่เขาหลับแล้วนี่แหละตอนเย็นนี่แหละแต่ความจริงไม่ได้เดินหลับหลับคือพอพอกลับมาที่ทํางานนะคุยกับอารมณ์ใจเขาหน่อยพราะเขาลงมือกินข้าวเราไปเดินแล้วนี่เขาก็เห็นเราเดินอยู่ข้างบ้านน่ยเดินอยู่หน้าบ้านเดินอยู่ข้างบ้านเขาก็ไม่ว่าวเห็นก็เห็นกันอยู่เนี้ยเองก็ทั้งวันพ่อไม่ได้ไปไหนเราก็เดินทั้งวันอย่างเงี้ยโอ้ยเวลามันเป็นก็เป็นอยู่ข้างบ้านนี่แหละไม่ไปที่ไหนหรอกไม่ได้ไปเเป็็นนน่่่าาหรออกไงงยู้้บี ทำเป็นอย่างเงี้ยแต่ทําจริงทําจริงตอนตาไปไปนั่งอยู่ในถ้าเนี่ยปีใหม่เดี๋ยกวก็เหมือนกตอนนี้ปีใหม่เสียงเพลงก็บอกปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วน้องแก้วมะเร็งลำวงอะไรตามตชาวบ้านเขาเปิดเสียงมันเสียงเพล ง, งแว่วๆมาตรงตานั่งอยู่ในถ้ำอย่างทีมันตอนนั้นมันเหมือนกับว่ามันนี่กุบาอาจารย์สอนยังไงก็ไม่ทราบแล้วมันไปไม่ได้มันโ ง, งท่ทึ้มทึ้บตื่นพิจารณาอะไรก็ไม่ไปยังไง งมีแต่นั่งหลับเดินก็ไปไม่ไรหัวทุนๆุนเฮ้ยมันอยากจะหัวโกป่าผนังท่ามันแตกตายซะเลยเสียงเพลงก็แววมามีใหม่แล้วแล้วเราก็ทิ้งครอบครัวมาแล้วเราก็มาอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ปฏิบตัติไม่ได้เรื่องได้ลาวแลนะ้วแต่อดทนมันนะความอยากจะพ้นทุกข์อดทนแต่ก็ตือเห็นงันนะีบางที น, นทั่งมาธิเดินตะโกมข้ามวันข้ามคืน ก็ตื้อจนน้อยใจบางทีว่าพุทธเจ้าพระองค์อยู่ที่ไหนพระธรรมพระอาหารหันต์แหวกครูอาจารย์อยู่ที่ไหนข้าพุทธเจ้ามาเดินจงกรมมาทําความเพียรทั้งวันทั้งคืนพระองค์อยู่ที่ไหนอ่ะข้าพเจ้าโง่ามากเลยทุบตื้อไปอยังไงเลยโปดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพระองค์อยู่ที่ไหนน่ะจนถึงสว่างมันก็ใจจะร้องไห้มันจะเอาหัวไปก็แตกฝาผนังถ้ำให้มันตายก็เลยมันโง่ามากเลยไม่มีปัญญาไม่มีความรู้อะไรเล ย, เลยมันขาดพ่อแม่ครูาอาจารย์ที่เป็นเลิศเน่ยตรงเนี้ย สำคัญที่สุดอือนคือตรงนี้เนี่ยเราทําเอ๊ะมันทําไปยังไงไม่ไปยังไงนนเนี่ยทำความเพียนเขาโจานาห์นเนี่ยลุงตาเดินลงจากถ้ำ ม, มาบนเขาไปเจอชาวบ้านนั่งอยู่ที่ตีนเขาคุยกันไปคุยกันมาเขาก็เลยบอกว่าท่านเป็นคนจริงธรรมะเป็นของจริงสัจธรรมความจริงคนจริงยอมสมควรแก่ความจริงให้ชาวบ้านนั่นนั่งอยู่ตีนเขา วันนี้เราปีใหม่ก็ไม่ไม่อยู่บ้านอยู่ช่องไปไปเนี่ไมกับเขามาอยู่ในถ้ำเราก็อดทนอย่างเนี้ยกว่าจะมาเป็นมามาสอนพวกเราได้อดไม่ใช่ได้แบบง่ายๆหรอกยากลําบากทุกอย่างลาบากไม่หลับไม่นอนทุกอย่างลําบากแสนเข็นหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่เหมือนง่ายเหมือนสมัยนี้หรอกเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยเราไปเจออสุภาษกรรมฐานมานาวสิไนนด้นิดแล้วเนี่ย หรือไม่เจอแล้วก็น้อมนิวิตมาเองเนี่ยเราจะทิ้งขวามม้างมาต่อเรื่องไม่ขาดสายพราะอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานเนี่ยเราก็ไปอยู่กับเข า, ขาวุ่นวายกับเขาแล้วเราก็ขาดไปเลยไอ้การขาดเนี่ยเราจะกลับมาต่อมันต่อยากเราต้องมาเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยมันขาดไปแล้วกว่าจะวกว่าจะต่อมันต่อไม่ติดมันมาเริ่มต้นใหม่เรื่อยดวงตามีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับใน เ, เขามีเขาวิทชาวนาเนี่ยเวลามันเขาขุดบ่อไว้พอเรามีน้ําเข้ามามันจะมีปลาช่อนมาอยู่ เวลาพอนหน้าน้ำหมดไปแล้วเขาก็จะวิดน้ำออกแล้วก็จับปลาช่อนเวลาวิดน้ำอย่างเขาสมัยก่อนไม่มีเครื่องสูบเ้าก็เช็ดโพงเอาเช็ดโพงคือวิดน้ำขึ้นฝั่งวิดวิดวิดน้ำให้น้ำมันแห้งมันต้องวิดตั้งนานตั้งกี่โคนอ่ะวิดขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นฝั่งนะเพื่อให้น้ำในบ่อมันแห้งจะได้จับปลาช่อนได้ตอนนี้ถ้าวิดเนี่ยมันต้องวิดไปต่อเนื่องถ้าวิดไม่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้น้ำกับกี่คนอ่ะวิดแล้วก็ไปพักวิดแล้วก็ไปพักอย่างเงี้ย น้ำกับพี่โคลก็ไหลกลับคืนมาที่บ่อมันก็จับปลาไม่ได้เท่าทีอ่ะมันทําไม่ต่อเนื่องน้ามันไม่แห้งทําก็ทําไปเลยอ่ะทำมันต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนทำมันตายไปเลยถ้ามันไม่อือทําไม่ได้ดีให้มันตายไปเลย ทามันตายแล้วมันได้ดีก็เอาถ้าไม่ดีให้มันตายไปเลยอย่างเงี้ยก็เอามาทำมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นื่อยเหนื่อยนะอะมันจะเมื่อยจะปวดอะไรก็ไม่สนใจเดิมทั้งวันทั้งคืนสว่างแล้วทำไมมันสว่างเร็วอะเดินไปอีกแล้วผลทำไมมืดเร็วอย่างงี้ยเอ๊ะแต่มันมืดีมันสว่างมันเป็นยังไงเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเยหน้าขึ้นก็มืดอีกแล้วเยหน้าขึ้นก็สว่างอีกแล้วไม่รู้วันรุ่คืนหรอกเดินอะทาความเพียรอย่างเงี้ยนะแล้วผลเนี่ยโอ้ เอาจริงน้ำจริงอย่างเงี้ยมันก็โอ้ยมันก็ไปได้โลดอะไรเนี้ยให้มันต่อนเนื่องอย่างเงี้ยหมอเราเห็นเนี้ยเสียดายมากเลยบางคนไปไปทิงทิ้งกว้างๆกลา ง, างลาทางโอ้ยเสียหายนะให้มันต่อนเนื่องนะเนี่ยที่หลวงปู่ม่นท่านบอกว่าโอ้ยทําความเพียปรปฏิบัติกันแค่เอาฝ่ามือไปแตะน้ําทะเลเล่นแตะมหาสมุทรเล่นๆกันนั่นแหละแต่หวังนิพพานเท่ากับท้องมหาสมุทรเนี่ยมันจะเป็ น, ปนไปได้ยังไงทําการปฏิบัติการเพียงแค่เอามือไปแตะ ฝ่ามือไปแตะมาหาสมุทรเล่นๆแค่ น, นั้นแหละกีจะจับมาหาสมุทรไว้ได้มันต้องเปลี่ยนอย่างนั้นเนี่ยใหมันเต็มที่มันถึงมาเป็นครูบาอาจารย์สอนก็ได้มันเอาจริงๆอายุมากแล้วมันทันหมอมาได้ไกลแล้วนะเนี่ยปฏิบัติได้เยอะมาได้ดีมากแล้วมาได้ไกลแล้วถ้าขึ้นภูเขาพระนิพพานถ้าเปรียบเียบพระนิพพานเป็นภูเขาเนี่ยมาจนมาได้เกินครึ่งแล้วมาเนี่ยเดินทางมาจนไกลมากแล้ว แต่เดี๋ยวไปห่วงลูกวงหลานไปมัวเอาใจไปเล่นกับหลานมันจะเสียหายยายอะแยะนะสาทุกขอถามอีกคําถามหนึ่งเดินไหมเจา้าค่ะคําว่าทวนกระแสเจ้าค่ะว่าทว <ขอ S 1> นกระแสก็จะปล่อยมันไหลไปหาโลกนี่กระแสโลกอ่ะเวลาใจเราไหลไปหาลูกห า, ลาหลานไหลไปหากิเลสไฟต่ำไหลไปหาอความโลภความ ราคาความโกรธความหลงมันจะไหลไปอ่ะเราทวนกระแสคือกระชากมันจะหลุดเตะมันให้กระเด็นออกไปจากใจเราถ้าจะคุณนอนจะคำว่าเก็ตอิตเอาเลตอิตโกมึงอยู่กับกูไม่ได้ไปเดี๋ยวนี้เตะมันกระเด็นออกไปเลยเนี่ยว่าทวนกระแสคืออย่าตามใจมันแล้วก็ปืนมันไว้โลกเขาจะตามกระแสงไงแต่เราไม่ไม่เป็นแบบชาวโลกเขาทั้งหลายเขาจะตามใจเวลาอยากจะคิดอยากจะปรุงแต่งในทางกิเลสกรรมในความโลภกบหลงราคาโทสะโมหะ มันก็ปล่อยให้ไหลไปเปิดเลินจะเลยใจคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงแฟนคิดถึงคนรักคิดถึงแฟนเก่ามั่วตัวให้หมดเนี่ยชีวิตอ่ะมันไหลไปจนกิเลสหนาตันหาจัดมันก็ปล่อยไปเนี่ยนี่คือชาวโลกก็ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่เมื่อเราปรารถนาความพ้นทุกเราต้องทวนกระแสของกิเลสไม่ไหลาตามมันไปเราต้องอดทนอดทนอดทนอดท น, ดทนเราบางทีเราอดทนสู้คนเดียวไม่ไหวเราก็ ขอถวายชีวิตขอถวายกิเลสตถาหนาไว้กับพุทธเจ้าเลยขอถวายคืนพุทธเจ้ายกให้พระองค์ช่วยดูแลจิตใจของข้าพุทธเจ้าด้วยกราบเลยกราบพุทธเจ้าเป็นกราบพระธรรมกราบกราบพระเยทรงไม่ว่าอยู่นี่ใดในปุ๊บในพบชาติในจักรวาลที่ท่านกลับเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลแล้วเนี่ยตัวตนของท่านหาไม่เจอไม่มีแล้วแต่อยู่ในทุกที่ที่ตัดแบอบกพระอ น, นุ์ไว้เนี่ยอนนุ์เราตถาคตไม่ได้เกิดไม่ได้ตายนะ อเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอยู่ในทุกที่อยู่ในดินน้ําลมไฟอยู่ในอากาศอยู่ในร่างกายเจ้าอยู่ในจิตใจของเจ้าอยู่ในทุกที่อยู่ในแผ่นดินที่เจ้าเดินอยู่ในน้ําทั้งหมดอยู่ในอากาศรอบตัวเจ้าอยู่ไหนเราจะฝากไว้พระองค์ไว้เลยอะถวายพระองค์ช่วยกับเจ้าด้วยช่วยกับผมด้วยข้าพุทธเจ้าด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยขอให้ข้าพุทธเจ้าสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาทวนกระแสของโลกคือกระแสกิเลสตัณหาเนี่ยให้มันชนะให้ได้ ข้าพเจ้าลำพัพงข้าพเจ้าคนเดียวสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยให้กําลังใจด้วยคอยช่วยเหนือคอยเกื้อกูลจิตใจคอยหนุนคอยทุกอย่างคอยให้สติสมาธิปัญญาคอยให้กําลังใจช่วยข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าก็เพียรอยู่แล้วแต่ข้าพเจ้าลําพังข้าพเจ้าตัวคนเดียวสู้ไม่ไหวช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็มันก็ประสบผลสําเร็จนะเวลาเราทําผิดพลาดอะไรหรืออะไรต่างๆเนี่ย ก็จะเกิดนิม like ิตหมายมาช่วยเราให้เราเนี่ยอดรอดได้หรือว่าไม่ถูกไม่ถูกทาอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกมุตตาเคยอธิษฐานบอกว่าเห็นเขาอดหลับอดนอนกันแล้วก็อธิษฐานบอกว่าไม่อดนอนสมเดือนอดนอนสี่เดือนไม่นอนเลยหลวงปู่เจียบอกว่าไปบิฏบาทเอาข้าวเขามาจัดแล้วก็กลับมานอนเล่นไม่ปฏิบัติอะไรหรอกวันนึงเห็นชาวบ้านเขาอยากโจนมากเลย เชาเขาชาวป่าชาวเขาก็อยากจนเอากระนี่มกระหนีวอยู่ก็ติปเล็กๆแล้วก็กระปั้นเล็กๆแล้วก็ปฏิตายแล้วนิพพานาปัจโยโหตูหวังนิพพานจากพระคุณเจ้านี่แน่พระคุณเจ้ามีเวลาข้าพุทเจ้าไม่มีเวลาข้าพุทเจ้าไม่มีเวลาที่จะไปพื้นพื้นปฏิบัติธรรมก็ตอนนี้ก็เอาข้ามาใส่บาตพระคุณเจ้าก่อนพระคุณเจ้าพ้นทุกข์แล้จะได้เกื้อปูนข้าพุทธเจ้าข้าพุทเจ้าบ้างให้เพ้นทุกข์นิพพานาปัจโยโหตูคนโบราก็นิพพานาปัจโยโหตูชาวบ้านชาวไร เจ้าป่าเจ้าเขาสมัยก่อนโบราณเนี่ยเขานิพพานาปัจโยโหตุทำอะไรก็นิพพานาปัจโยโหตุในปัจจุบันแต่คนสมัยนี้ขอมั่วตัวหมดขอโน่นขอนี่ขอนั่นขออะไรขอให้ตัวหวยขอให้ร่ำรวยขอให้มีโชคลาภขออะไรสารพัดจะขอแต่คนเวลาเขแค่นิพพานาปัจโยโหตุในปัจจุบันเนี่ยไปอ่านดูประวัติพระอรหันต์แต่ละท่านในสมัยพุทธกาลย้อนหลังอดีตไปรวนแต่ที่ฐานแบบนี้มาทั้งนั้นปรารถนานิพพานหมดเลยนึกมาบรรลุนิพพานได้แต่เราในสมัยเนี้โอโหปรารถนาแต่กิเลส ขอให้ร่ำไรวยให้ถูกหวย ใ, ให้มีโชคลาภขอให้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งขอให้มีคนรักขอให้มีแฟนหล่อมีแฟนสวยขออะไรก็ตรับพระจะขอไอ้นี่ยมันเป็นกิเลสอันอนี้คือโลกอะโลกก็เป็นแต่เราทวนกระแสโลกเราไม่เป็นเป็นอย่างนั้นแต่มันทวนยากนะมันทวนยากยอมรับยากจริงๆแต่ก็ใส่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรงตาก็เลยอธิษฐานบางเห็นเขาว่อดหลับอดนอนได้ฐานกันแล้วเขาบรรลุลัพปุจชะสามเดือนอธิษฐานเพราะว่า ไปกินไปฉังข้าวว่าเราบีบสบัดฉันข้าวเราก็ม า, าามานอนเฉยๆไม่ปฏิบัติธรรมเออเห็นเขาอยากจนเขามาใส่บาตรหวังนิพพานเอเอไอเรานี่ไม่ได้ปฏิบัติเลยโกหกหลอกลวงเขาไม่ได้เป็นพระยะสอง์อะไรเลยจุดตูปเตียนต่อหน้าพระประธานลุกขึ้นอธิษฐานเลยนับตอนนี้จนไปมึงกินข้าวเข้ามามาเอามาแต่นอนได้เฉยไม่ได้ปฏิบัติอะไรนับตอนนี้จนไปสามเดือนถ้าหลังแตะพื้นกระดานเมื่อไหร่ล้มตัวลงหลังนอนหลังแตะพื้นกระดานเมื่อไหร่นะ คอยฟ้าผ่าตายให้น้ำท่วมไม่ทรณาีสู่ไม่ไฟไหม้ตายแต่หากทำได้อย่างสัจจะอิานขอได้บรรลุวินิจพานเนี่ยท่านก็บรรลุวิ น, นิจพันธนะโลกะะธาตุพลิกคว่ำเลยเนี่ยโลกธาตุพลิกคว่ําเหมือนสึนามิอ่ะมันเกิดสึนามิแต่สึนามิมันเกิดเฉพาะในทะเลเนะเวลาพวกที่บรรลุธรรมแล้วโลกธาตุพลิกคว่ำเหมือนเกิสึนามิแผ่นทองฟ้ากับแผ่นดินมันมวนตลบกอบข้อหา ม, มันขึ้นใหญ่ระเบิดจกักรวาลโลกธาตุไอเราก็เอามากเลยตอนเนี้ย แต่แม่พิธานเจ้าท่านนะเราอะมันโลภมากบอกว่าเราจะไม่นอนเลยตลอดชีวิตจนกว่าเราจะปบรรลุนิพพานถ้าเราไม่บรรุนิพพานเราจะไม่นอนหลังแตะพื้นกระดานเลยโอ้ยเราก็อดทนทรมานมากเลยปวดหลังปวดเดีวทรมานแสนสาหัสทําอยู่นั่นได้ตั้งสองสามอาทิตย์อะไปกราบพระไปไปกราบพระปุ๊บเหมือนนิมิตว่าโดน พุตตะเจ้า ท, ที่เพียงหน้าหงายหงายท้องไปเลยเ อ, าอ้าทาไมเป็นอย่างเงี้ยก็เลยไปเล่าให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังโอ้ยโดนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าซะนี่มันกิเลสไปใช่เลวเนี่ยออแล้วว่ามาปรารถนาความดีขนาดเนี้ยนี่มันกิเลสเนี่ยเลยเนี่ยโอ้ยโดนอัออนดซนะไปถอนเดี๋ยวนี้นะให้ไปถอนอธิษฐานเดีย๋ยวนี้โอ้ยว่าซ้ำซํำๆว่า ว่าทั้งเช้ากั้งวันเย็นค่ำสี่รอบว่าเราสี่รอบว่าอยู่นี่ยเนี่ยขนาดเราถอนแล้วท่านก็นยังว่ายสามสี่วันเพราะนี่มันกิเลสนั้นเนี่ยเห็นไหมจริงก็ผิดพลาดความปาจจณาสน่งกิเลสแต่การเป็นกิเลสคือเราเป็กิเลสอย่างนิพพา น, เ, นเราก็ไม่รู้ตัวอาเนั้ยนะเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระยสงฆ์เนี่ยพรอแม่ครัวก็จานเนี่ยเป็นกาลังใจให้ไปถึงให้ฟังบย่นิพพานไอ้พ้นทุนทกข์ไม่ได้ลําพังเราคนเดียวก็จริงก็หลอดแหละหลอแห ล, หล่ไม่มีกําลังพอ เราปูเชเจ้าเวลาท่านอธิษฐานท่านก็อธิษฐานต่อพุทธเจ้าเปลูกเลยพุทธเจ้าเลยเข้าใจไหมเดี๋ยวหมอมาได้ไกลแล้วนะจึงไม่อยากให้ไปวุ่นวายหรือปฏิบัติก็ได้เขาหลับขนอนกันแล้วต้องทำความเพียร ใ, ในทุกขณะปัจจุบัน ล, ลุงตาก็เราพิจารณาในขณนะที่ทำงานนี่แน่ไม่ใช่ว่าม า, มามาตอนเย็นออกมาดินจงกรมจึงพิจารณาความตายน่กเปิดผูพังนะตอนระหว่างทางานพู้าสาเนี่ยก็แอบพิจารณาอยู่ในใจแอบพิจารณาอยู่ในใจเลย ตอนเราพอทำนานาครับมันก็เป็นชิน ม, มันสามารถพิจารณาได้อยู่ในใจตลอดเวลาต่อเนื่องไม่ขาดสายพอกลับมาก็พิจารณาต่อทําได้ทั้งวันทั้งคืนทำพิจารณาแอบพิจารณาอยู่ในใจมีคนถามว่าเจามทําได้เหรอคือกายทํางานแต่ใจมันแอบพิจารณาความตายหน้าเปิดบุพภาคมันทําได้เหรอเราบอกว่าคิดดูให้ดีพิจารณาให้ดีเวลาพวกเราทํางานกันเนี่ยใจแอบทึกคิดถึงเขาสาวคิดถึงหนุ่มๆคิดถึงแฟนยังคิดได้เลยอ่ะทำไมใจไม่ได้ล่ะ กายทํางานอย่างจะใจแอบคิดถึงแฟนยังคิดได้แต่มันจะคิดไม่ได้เอ้อันนี้มันคิดถึงแฟนเป็นกิเลสคิดถึงหนุ่มๆคิดถึงอะไรตัวสาวเรีนเป็นกิเลสเนีเราก็เอามาเป็นประโยชน์สิคิดถึงความตายนอเป่วยผุพังสะไม่มีใครหรอกวันที่กายทางานอย่างแล้ใจไม่คิดอย่างอื่นนะไม่จริงหรอกสังเกตให้ดีเคยคิดได้แต่เรียนเป็นกิเลสเรามาคิดในทางที่มันเป็นกิเลส